เมื่อมองฟ้าไม่มีแสงดาวเปรียบเสมือนเมื่อฉันไม่มีเธอสุดที่รักอย่าให้ฉันรอเกินอยู่คนเดียวในคืนที่เหงาใจอีกส5บห้านาทีเที่ยงคืน ยังไม่รู้ว่าเธออยู่ไหนหากมีใครรู้จริงๆช่วยบอกฉันที่ได้ไหมเป็นห่วงเธอคิดถึงเธอสุดที่รักของฉันคืนนี้เธออยู่ไหน ก็ได้แต่วังที่รักฉันคงกลับมา มีใครรู้จริงจริงช่วยบอกฉันที่ได้ไหมเป็นห่วงเธอคิดถึงเธอสุดที่รักของฉันคือมีเธออยู่ใหนสุดที่รักของฉันไม่รู้ไปกับใครได้แต่รอ มาเมื่อไรก็ได้ต่วังที่รักฉันคงกลับมาสุดที่รักของฉันคืนนี้เธออยู่ไหนสุดที่รักของฉันไม่รู้ไปกับใครได้แต่รอคอยเรื่อยไปไม่รู้จะมาเมื่อไรก็ได้วต่ว ควรับมา